สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในพระธรรมหนึ่งพงกษัตรบทที่14ครับหนึ่งพงกษัตรบทที่14ข้อที่1ถึงข้อที่20ครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าครั้งนั้นอาบิยาโอรสของเยโรโบอัมป่วยหนักเยโรโบอัมจึงตรัสกับมเหสีว่าจงปลอมตัวอย่าให้ใครจาได้ว่าเป็นมเหสีของเยโรโบอัม ไปพบผู้เผยพรชนะอาหิยาที่ชิโรผู้ที่บอกว่าเราจะได้เป็นกษัตริย์ของชนชาตินี้เอาขนมปังสิบก้อนขนมหวานกับน้ำพึ่งหนึ่งไหไปกานันเขาด้วยเขาจะบอกเจ้าว่าอะไรเกิดขึ้นกับลูกชายของเราแม่เหสีของเยโรโบอัมก็ทาตามนั้นแล้วเสด็จมายัางบ้านของอาหิยาที่ชิโรฝ่ายอาหิยาก็มองอะไรไม่เห็นแล้วเพราะชรามาก แต่องค์พระบุณเจ้าตรัสกับอาหิยาว่ามเหสีของเยเบลอมปลอมตัวมาเพื่อถามเจ้าเกี่ยวกับลูกชายของนางซึ่งป่วยอยู่เจ้าจงตอบตามนี้ฉะนั้นเมื่ออาหิยาได้ยินเสียงคนเดินมาที่ประตูจึงร้องบอกว่าเข้ามาเถิดมเหสีของเยเบลอมทำไมต้องปลอมตัวมาเรามีข่าวร้ายจะแจ้งให้ทราบจงกลับไปบอกเยเบลอมว่า พยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสว่าเราได้ยกเจ้าขึ้นมาจากหมู่ประชาชนตั้งให้เป็นผู้นำของอิสราเอลประชากรของเราเราแบ่งอาณาจักรจากวงวานดาวิดยกให้เจ้าแต่เจ้าไม่ได้เป็นเหมือนดาวิดผู้รับใช้ของเราซึ่งปฏิบัติตามคำสั่งของเราและติดตามเราอย่างสุดหัวใจผู้ซึ่งทำแต่สิ่งที่ถูกต้องในสายตาของเราแต่เจ้าชั่วยิ่งกว่าทุกคนก่อนหน้าเจ้า เจ้าได้สร้างพระต่างๆให้ตัวเองหลอรูปเคารพโลหะทั้งหลายยั่วยุให้เราโกโรธและหันหลังให้กับเราฉะนั้นเราจะนำหายนะมาสู่วงวานเยโรบอัมประหารชายทุกคนไม่ว่าเป็นทาตหรือเป็นไทยซึ่งเป็นเชื้อสายของเยโรบอมจากอิสราเอลเราจะเผาวงวานของเยโรบอัมเหมือนเผาขยะจนกว่าจะสิ้นซากไป คนของเยโรโบอัมที่ตายในเมืองจะถูกสุนัขแทะกินและผู้ที่ตายในทุ่งนาจะถูกนกจิกกินองค์พระเจ้าได้ลั่นวาจาไว้สำหรับเจ้าจงกลับไปเถิดและเมื่อเจ้าย่างเท้าเข้าตัวเมืองเด็กนั้นจะเสียชีวิตทั่วทั้งอิสราเอลจะไว้อะไรให้เขาและฝังเขาในครอบครัวของเยโรโบอัมมีเขาเพียงคนเดียวที่มีคนฝังศพให้เพราะ ทั้งราชวงศ์มีเขาคนเดียวเท่านั้นที่พระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลทรงเห็นว่ามีดีอยู่บ้างในวันนี้องค์พระวิญญาณเจ้าจะทรงตั้งกษัตริย์องค์หนึ่งเหนืออิสราเอลเพื่อพระองค์องเองผู้ซึ่งจะกวาดล้างราชวงศ์เยรูอามออกไปตั้งแต่บัดนี้แล้วองค์พระวิญญาณเจ้าจะทรงฟาดอิสราเอลจงทั่วเขาเป็นเหมือนต้นอ้อที่โอนเอ็นอยู่ในน้ําพระองค์งจะทรงขุดรากถอนโคนอิสราเอลจากดินแดนอันอุดมสมบูรณ์นี้ ซึ่งทรงโปรดประทานแก่บรรพบุรุษของเขาและจะทรงทําให้พวกเขากระจัดกระจายออกไปไกลกว่าแม่น้ํายูเฟติสเพราะพวกเขาได้ยั่วยุองค์พระผู้เป็นเจ้าให้ทรงพระพิโรธโดยการสร้างเสาเจ้าแม่อาเชราพระองค์จะทรงทอดทิ้งอิสราเอลเพราะบาปซึ่งเยเรวามได้ทําและชักนําอิสราเอลให้ทําตามแล้วมเหสีของเยเรวามจึงเสด็จกลับไปยัง ทีราชาทันทีที่พระนางทรงก้าวข้ามทรีประตูวังโอรสนั้นก็สิ้นชีวิตพวกเขาฝังศพและทั่วทั้งอิสราเอลไว้อาลัยให้โอรสนั้นตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสผ่านทางผู้เผยพระเจ้าอาิยาผู้รับใช้ของพระองค์เหตุการณ์อื่นๆในราชการเยโรโบอัมสงครามต่างๆและการปกครองมีบันทึกไว้ในจดหมายเหตุแห่งอิสราเอล พระองค์ทรงครงองราชอยู่22ปีจากนั้นทรงล่วงรับไปอยู่กับบรรพบุรุษและนาดับโอรสของพระองค์ขึ้นครองราชแทนพี่น้องครับในพระธรรมหนึ่งสองกษัตริย์ได้กล่าวถึงหนังสืออีกสมเล่มได้พาดพิงหนังสือถึง3เล่มอ้างอิงนะครับหนังสืออีก3มเล่มนี้ก็คือหนังสือจดหมายเหตุแห่งกษัตริย์อิสราเอลซึ่งปรากฏอยู่ในข้อที่ และหนังสือจดหมายเหตุแห่งกษัตริย์ยูดาซึ่งปรากฏอยู่ในข้อที่29และหนังสือจดหมายเหตุของโซโลโมอนซึ่งปรากฏอยู่ในบทที่11ข้อที่สี่สิบอ็ครับหนังสือ3มเล่มนี้เป็นหนังสือที่ถูกอ้างอิงในพระธรรมหนึ่งและสองพงกษัตริย์ซึ่งพระเจ้าได้ทรงนำให้ผู้เขียนพระธรรม1นึงสองพงศษัตริย์นั้นใช้หนังสือเหล่านี้เป็นแหล่งข้อมูลสําคัญคับเป็นแหล่งอ้างอิงเพื่อที่จะ ได้รู้ว่าสิ่งต่างๆที่บันทึกอยู่ในเพื่ัมภีพีนั้นล้วนแล้วแต่เป็นความจริงสามารถอ้างอิงได้สามารถที่จะเฟ f e r ถึงได้เพื่อที่จะเปรียบเทียบกันระหว่างข้อมูลและความถูกต้องต่างๆเหล่านี้ในสมัยโบราณแต่ว่าน่าเสียดายครับไม่ปรากฏว่ามีการค้นพบสำเนาของหนังสือเหล่านี้ถามว่าทาไมครับเพราะว่านั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสงวนไว้ เพื่อให้เป็นพระวจนะของพระเจ้าแน่นอนทีเดียวครับเราก็คงทราบดีหลังจากที่เสียกรุงเยรูเซาเล็มนะครับเยรูเซาเล็มนั้นเสียกรุงหลายครั้งทีเดียวแต่หลังจากยุคหนึ่งและสองผงกษัตริย์นี้เยรูเซาเล็มนั้นก็เสียกรุงตอนในช่วงของอัสซีเรียและบาบิโลนครับหนังสือเหล่านี้ก็นักวิชาการคาดว่า ได้สูญหายไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นจนถึงณนะปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีใครที่ค้นพบสําเนาต้นฉบับของหนังสือทั้งสามเล่มนี้พี่น้องครับดูเหมือนว่าพระกัมพีกำลังสรุปถึงการสูญพันธ์ของราชวงศ์เยโรวาอมคำว่าสูนพันธ์นี้ปกติแล้วใช้กับ สิ่งมีชีวิตประเภทสัตว์หรือพืชแต่ว่ามนุษย์นั้นเนื่องจากยังไม่มีการสูญพันธุ์แต่ว่าการคําว่าสูญพันธุ์สําหรับมนุษย์นั้นก็คือสิ้นสุดเผ่าพันธุ์หรือพงพันธุ์หรือราชวงศ์หรือตระกูลของตัวเองยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าผู้ใดไม่มีบุตรก็ไม่สามารถที่จะสืบทอดทายาทหรือวงตระกูลต่อไปได้นั่นคือการสูญสิ้นหรือเรียกว่าสูญพันธุ์ พี่น้องครับเราจะเห็นว่าราชวงศ์เยโรโบอัมนั้นก็มีกษัตริย์ไม่กี่พระองค์ครับและในที่สุดก็จะสูญสิ้นราชวงศ์นี้ไปเพราะเหตุว่าพระเจ้าไม่พอพระทยจะอวยพรราชวงศ์นี้เนื่องจากว่าพวกเขาได้กระทําความผิดบาปมหันก็คือการนําประชากรของพระเจ้ากลับไว้รูปข้ารบ แล้วแรงจูงใจที่นำประชากรไปกราบไว้ลูกข้าวลบก็คือเพื่อราชบัลลังของตัวเองเพื่อความมั่นคงปลอดภัยในการปกครองในอํานาจของตัวเองนั่นเองเรื่องราวของเยเบรลอัมนั้นก็ทำให้เรารู้ว่าอันตรายของการละทิ้งพระวจนะของพระเจ้าที่บันทึกอยู่นะครับแล้วก็ความบาปของผู้นำและการที่ผู้นำนั้นถูกตักเตือนแต่ก็ยังไม่กลับใจ ยังมีใจแข็งกระด้างยังไม่ยอมรับพระวจนะของพระเจ้ายังไม่ยอมกลับใจจากขนทางแห่งความชั่วร้ายของตัวเองนั่นแหละครับหนักหนาสาหัสครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาไปตั้งคนสามัญให้เป็นปุโรหิตเขากําลังส่งเสริมให้ทําผิดร้ายแรงก็คือการกลับไว้ลูบเคารพนี่คือสาเหตุของความตกต่ำของชีวิตของเยโรบอัมและชนชาติอิสราเอลฝ่ายเหนือแล้วในที่สุดนะครับพระเจ้าก็ ได้ให้เกิดความเจ็บป่วยของบุตรชายก็คือโอรสของเยเรวามพี่น้องครับเรารู้ครับว่าเยเรวามนั้นรู้ว่ามีพระเจ้าเชื่อว่ามีพระเจ้าแต่เยเรวามนั้นไม่ยอมกลับใจเพราะว่าเยเรอามนั้นไม่ต้องการที่ให้ชนชาติอิสราเอลนั้นกลับไปอยู่กับฝ่ายใต้เพราะฉะนั้นเยเรวามก็รู้ครับว่าบรรดาลูกเคารพนั้นในที่สุดก็ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้ เยโรวัมก็เลยบอกให้มาเหสีแฝงกายปลอมตัวไปไม่ให้คนอื่นรู้กลับไปหาผู้เผยพระวจนะอาหิยาเจ้าเก่าที่เคยพยากรช่วยเขาให้เขาได้เป็นกษัตริย์อาหิยานั้นชรามากแล้วตามองไม่เห็นแต่พระเจ้าบอกเขาครับให้เขาได้พูดตามพระประสงค์ของพระเจ้าว่าในที่สุดแล้วโอรสของเยโรวามนั้นจะต้องตาย แต่ที่น่าทุกเวทนามากกว่านั้นก็คือว่าคําพยากร์ได้เปิดเผยว่าเราจะนําหายาณะมาสู่วงวานเยโรอามผหารชายทุกคนไม่ว่าจะเป็นทาสหรือเป็นไทยซึ่งเป็นเชื้อสายเยโรอัมเราจะเผาวงวานของเยโรอัมเหมือนเผาขยะจนกว่าจะสิ้นซากไปคนของเยโรอัมในที่ตายในเมืองจะถูกสุนัขแท้กินผู้ที่ตายในทุ่งนาจะถูกนกจิกกินองค์พระเจ้าได้ลั่นวาจาไว้พี่น้องครับวลีที่ว่าจะถูกสุนัขแท้กินและ จะถูกนกจิกกินนั่นหมายความว่าไม่มีใครทำศพให้ครับเพราะว่าศพนั้นจะถูกทิ้งไว้เกื่อนกราดจนกระทั่งสัตว์มาแทะกินนั่นคือความทุกเวทนาเป็นอย่างยิ่งในที่สุดเหตุการณ์ต่างๆนั้นก็ได้บังเกิดขึ้นตามที่ผู้เผยพระชนะอหิยาได้ลั่นวาจาไว้เพราะเหตุที่เยรวอัมนั้นได้ชักนำคนของพระเจ้าประชาชนประชากรของพระเจ้าห่างไกลจากพระเจ้า พระเจ้าจึงส่งลงโทษท่านด้วยการตัดเชื้อสายวงวานของท่านออกจะไม่มีชายใดที่จะสืบทอดตระกูลของท่านต่อไปเชื้อสายของเยลมอัมที่จะมีงานศพมีแค่คนเดียวครับก็คืออาบิยาซึ่งเป็นโอรสซึ่งเขาตายแล้วพี่น้องครับนอกจากจะเปิดเผยกับราชวงศ์พงพันที่จะต้องสูญสิ้นไปก็ยังเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องราวของพระชากกรของพระเจ้าเพราะว่า ทั้งประเทศจะต้องผ่านเหตุการณ์ที่สั่นสะเทือนดุดดังต้นอ้อต้องลมยเยเรวามนั้นไม่ได้ปลูกฝังอิสราเอลไว้ด้วยรากฐานที่มั่นคงซึ่งเป็นพระวจนะของพระเจ้าพระคำของพระองค์แต่ปลูกฝังด้วยการกราบไหว้ลูกเคารพซึ่งเหมือนกับต้นอ้อครับและพระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะทรงถอนรากประเทศนี้จากดินแดนอันดีซึ่งพระองค์ประทานให้กับบรรพบุรุษของเขาและกระจายพวกเขาออกไปยัางฟากแม่น้ํายูเฟติส ซึ่งอย่างจริงก็เกิดขึ้นครับในปี722ก่อนคศสอพี่น้องครับพระเจ้าได้ใช้ชาวอัสัซีเรียรครับในการลงโทษเนื่องจากการกล่ไวไวยุค ข, ของพวกเขาเราต้องเข้าใจครับว่าพระเจ้านั้นได้ทรงละทิ้งอิสราเอลมีความหมายในวงจำกัดครับพระเจ้าทรงสัญญากับอับราฮัมว่าเชื้อสายจะได้รับพบัแต่เมื่อเขาหลุดออกจากการเชื่อ ฟังพระเจ้าพระเจ้าก็ถอดเขาออกแต่พระเจ้าไม่เคยทิ้งพระสัญญาของพระองค์กับเชื้อสายของเขาตราบใดก็ตามที่พวกเขานั้นได้หันกลับมาหาพระเจ้าแสวงหาพระองค์และกับใจเสียใหม่พระเจ้าก็จะอวยพรและทรงรักษาสัญญาของพระองค์ต่อไปนี่คือสิ่งที่ได้เกิดขึ้นกับประชากรของพระเจ้าทุกยุคทุกสมัยครับและจะเกิดขึ้นกับพวกเราในทุกวันนี้ด้วยหากว่าเราต้องการที่จะ ถ่ายทอดความเชื่อความศรัทธาไปถึงลูกหลานของเรานั้นเราเองจะต้องมีชีวิตที่ดีชีวิตที่เรียนแบบพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าชีวิตที่เหมือนกับพระเยซูคริสต์ะทอนพระสิริของพระเจ้าออกมาพี่น้องครับนั่นแหละครับคือวิถีทางแห่งเชื้อสายที่จะได้พับต่อไปอาเมน